คือความเกิดขึ้นในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าจิตมีก็เพียงสักแต่ว่าเอาไวร้รู้เพียงสักแต่ว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัย และไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก ร, ราภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าพิจารณาจิตในจิตอยู่เสมอเสมอ ถ้าคุยกับคนทั่วไปพยายามทำให้เขาเชื่อกายไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สมบัติของใครก็ยากที่ใครจะยอมรับแต่สำหรับผู้ปฏิบัติอย่างน้อยในระดับอนาปานาบับที่เห็นลมเข้าออกก็เพียงแต่เกิดดับตามธรรมชาติหรืออย่างสูงสุดระดับวสีวะทิกาปั ซึ่งเห็นกายนี้ต้องผลเป็นผมใครพูดที่ฟังว่ากายไม่ใช่ตัวตนย่อมฟังขึ้นฟังเข้าใจถนัดและยอมรับโดยดุษณีด้วยปัญญาประจับแจ้งออกมาภายในยิ่งถ้าไปบอกใครว่าจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนอันนี้ก็จะเถียงกันด้วยเหตุผลและความเห็นนาน า, นาทัศนะ ได้ชั่วกับชั่วกันโดยไม่เจอข้อสรุปอันดีที่สุดก็จะทาให้ทุกคนยอมรับได้ใจตรงกันอย่างแน่นอนแม่จิตตานุปัสสนาจะเป็นขั้นตอนอันมีความละเอียดระดับที่สามยังไม่ถึงขั้นสูงสุดของสติปัฏฐานสก็เริ่มประจักษ์เริ่มอย่างรู้ด้วยปัญญาอันสว่างขึ้นภายในแล้วแม้ว่าจิตจะไม่ใช่ตัวตน เป็นเพียงธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับลงท่ามกลางมวลธรรมชาติทั้งหลายความหลงคิดความหลงหวังไปว่าจะมีจิตอื่นมีตัวตนอื่นอันยิ่งกว่านี้เป็นอันพับฐานลงได้อย่างสิ้นเชิงเพราะการเห็นนั้นเป็นการเห็นระดับธรรมชาติของจิตเกิดดับไม่ใช่เพียงเห็นผิวของลักษณะจิตชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้น หากเปรีบมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นหลักสูตรแบบโลกโลกก็ต้องนักว่าเรามาได้ครึ่งทางแล้วแต่ทางการปฏิบัติธรรมไม่เป็นอย่างนั้นเราดูกันที่จิตดูกันที่ความปล่อยวางฝึกมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะไปไกลเกินกว่าครึ่งหรืออาจจะถึงค้อแล้วด้วยซ้ําอย่างที่กล่าวแต่แรกว่าแก่นสารของพุทธศาสนาคือดับทุกข์ดับกิเลส ไม่ใช่เพื่อสอบไล่ให้ใครตัดสินว่าควรรับปริญญาหรือยังจิตเรายังเป็นผู้เรียนผู้สอบผู้วิาพากษาปล่อยวางเมื่อ ย, ยึดมั่นถือมั่นว่ากายใจเป็นตัวเป็นตนได้เมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นในทางกลับกันแม้จะศึกษามาแล้วครึ่งทางหรือศึกษาต่อจนจบแต่ไม่ลงมือปฏิบัติ ไม่แม้แต่จะตั้งมุมมองออกมาจากภายในเสียใหม่ถึงจะอ่านมหาสติปัฏฐานสูตรมาครึ่งหนึง่งหรือทั้งหมดก็ยังนับว่าเป็นผู้จบหรือใกล้จบหลักสูตรไม่ได้เลยความรู้ทั้งหลายในหนังสือหรือพระคำพีจะดองตัวเองอยู่ในลักษณะรูวไว้ใช่ว่าใสาบ่บาบแบกหามเท่านั้นและอีกทางหนึง่ง หากเลือกที่จะเปิดหนังสือมหาสติปัฏฐานสูตรเพื่อมาอ่านส่วนนี้ก่อนได้ความสนใจเกี่ยวกับการรู้เห็นจิตโดยความไม่ใช่ตัวตนก่อนเป็นอันดับแรกก็มีความเป็นไปได้เช่นกันถ้าเพียงทราบว่าจะรู้ให้ถูกต้องได้อย่างไร กล่าวตามความจริงถ้าใครลงมือฝึกรู้สภาวะจิตตามแนวจิตตานุปัสนาทันทีอย่างต่อเนื่องจริงจังแม้ไม่ศึกษาทฤษฎีให้ชำนานใช่ก่อนก็อาจเห็นจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนได้สำคัญคือความลังเลสงสัยของคนเราจะไปขวางทางไว้แต่ต้นถ้าหากไม่กล่าวถึงขอบเขตของความเป็นจิตเอาไว้เลย คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะพวกที่มีการศึกษาสูงๆก็จะสงสัยอยู่ร่ำไปหาลานจอดที่หยุดคิดแล้วขันมาปฏิบัติเต็นที่ไม่ได้ส่วนถ้ากล่าวเยื่นเยอะเกินไปเรื่องจิตก็จะกลายเป็นการจุดชนวนความคิดเกิดตั้งคำถามแบบแตกกิ่งก้านสาขาออกไปยิบย่อยไม่รู้จักจบยิ่งกว่ารากต้นไม้ขนาดมะหือมา ดังนั้นจะขอตั้งแง่มุมที่จะกล่าวเกี่ยวกับจิตเพื่อดึงให้สนใจเข้ามาศึกษาจิตของตนเองตามแนวทางที่พระพุทธองค์กำหนดไว้ในจิตตานุปัสสนาคือพอประมาณที่จะทำให้หายสงสัยเหมือนแค่ศึกษาว่ายานยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักต่างๆแต่จะไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าแต่ละชิ้นทางานอย่างไรมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง ต่อชิ้นส่วนอื่นๆอย่างไรคือขอแต่เป็นคนขับที่ไม่หลงนึกว่ารถยนต์เกิดเองและเป็นเนื้อเดียวกันทั้งคันก็พอไม่ถึงขนาดที่จะให้ในายช่างใหญ่ในโรงซ่อมแต่อย่างใดความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับจิตที่เจาะจงใช้คำว่าความเชื่อ ก็เพื่อเปรียบเทียบภายหลังว่าต่างกับความจริงอย่างไรคือชี้ให้เห็นว่าระหว่างคนธรรมดาทั่วไปปรารนักวิทยาศาสตร์และนักพลังจิตนั้นต่างมีมาตรฐานเฉพาะด้านที่จะมองและเลือกเชื่อกันไปมีความกระดำกระด่างบ้างมีช่องโหว่ให้ได้โต้แย้งบ้างเมื่อหาทางพิสูจน์แล้ว อาจเกิดทฤษฎีใหม่ขึ้นมาแทนความเชื่อเก่าๆได้เสมอแตกต่างจากพระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความรู้เกี่ยวกับจิตไว้อย่างละเอียดลึกซึ้งหากศึกษาอย่างรอบค้อบลัดกลมจะพบว่ายุติข้อโต้เถียงให้ราบคาบทางทฤษฎีและทางปฏิบัติจิตในสามัญสำนึกของคนทั่วไป คนส่วนใหญ่จะนึกถึงจิตว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดของตัวเองที่ปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกนึกคิดอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือจิตของตนตั้งอยู่ภายในกายอันปรากฏเป็นรูปร่างหน้าตาที่เห็นอยู่มองแบบไร้หลักเกณฑ์ประกอบรายละเอียดนี้เรียกว่าเอาตามอัตโนมัติหรือใช้สามัญสำนึกเป็นใหญ่ ด้วยความเชื่ออันเกิดจากสามัญสํานึกดังกล่าวมักจะมีที่มาข้อถูกเถียงมากมายทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตเช่นเราได้ยินการบอกเล่าสืบต่อเสมอว่ามีชาติก่อนชาติหน้ามีนรกสวรรค์สิ่งลี้ลับเหล่านี้ไม่อาจรู้ได้ด้วยสติด้วยสามัญจิตหากเรา ถูกจองจำไว้ในกรงแห่งความรู้สึกนึกคิดสิ่งที่นำมาเถียงกันก็ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากความเชื่อส่วนตัวอันเป็นผลผลิตจากความรู้สึกนึกคิดนั่นเอง จิตคือความรู้สึกนึกคิดคนส่วนใหญ่จะไม่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับจิตให้วุ่นวายเนื่องจากภาระต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็หนักพออยู่แล้วก็มีสิ่งดึงความสนใจในโลกรอบอยู่อีกมากทั้งคนรักทั้งความบันเทิงสารพัดรูปแบบน้อยคนที่จะมีสัญชาตญาณชนิดหนึ่งติดตัวมาคือกระทบใครจะรู้สักจะความจริงเกี่ยวกับชีวิต เกี่ยวกับเรื่องก่อนเกิดและหลังตายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นอยู่บนธรรมชาติอันเป็นแกนกลางชนิดเดียวคือจิตถ้ารู้ความจริงเกี่ยวกับจิตได้คำตอบทุกอย่างก็เผยตัวเองออกมาเองเพราะตามความเชื่อของคนเราไม่ว่าจะมีชีวิตสิ้นชีวิตหรือการเข้าถึงนรกสวรรค์ก็ล้วนแต่จิตนี้มีอันเป็นไปเดินทางไป หรือเคลื่อนย้ายไปอันที่จริงประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของคนทั้งหลายต่างก็พบประสบการณ์ตรงทางจิตที่ยิ่งไปกว่าความรู้สึกนึกคิดมากมายนะักยกตัวอย่างเช่นพลังจิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ถ้าจ้องตา ก, กันแล้วสามารถรู้ได้ถึงกำลังที่แตกต่างหรืออย่างภาวะบางประการที่สำเนียดสัมผัสได้ เช่นอยู่ใกล้คนหนึ่งเหมือนมีกระแสสบายอยู่ใกล้อีกคนหนึ่งเต็มไปด้วยกระแสความเร่าร้อนโกลนกระวายยังผลให้เราสงบสุขหรือเครียดขม็งตามไปด้วยอีกประการหนึ่งคนทั่วไปจะไม่ปฏิเสธบัญญัติสั์อันมงถึงลักษณะเช่นดวงจิตหรือกระแสจิตดูผนเผินเหมือนรู้อยู่ว่าเป็นอันเดียวกัน แต่หากวิเคราะห์แล้วก็จะทราบว่าสองลักษณะนี้แตกต่างชนิดขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเพราะลักษณะเป็นดวงนั้นบ่งว่ามีรูปทรงแบบพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ส่วนลักษณะเป็นกระแสจะบ่งว่ามีละลอกความต่อเนื่องแบบคลื่นน้ำหรือว่าคลื่นไฟฟ้าตอเมื่อปรับมุมมองใชใหมว่าตอนมองเห็นเป็นดวง จะหมายถึงจิตโดยเป็นสภาวะหรือคุณสมบัติสักอย่างหนึ่งเช่นเราอาจจะบรรยายความเป็นใครคนหนึ่งอย่างรวดเร็วด้วยการกล่าวว่าเขามีดวงจิตที่สุขสงบก็จะเกิดภาพของผู้มีชีวิตทั่วไปผาสุขมีเมตตาไม่เบียดเบียนใครเป็นต้นการร้ายซึ่เหลี่ยมมุม การไม่มีขนาดและปริมาณที่แน่ชัดของสภาวะจิตหนึ่งนั้นใกล้เคียงกับวงกลมมากกว่ารูปทรงอื่นจึงเรียกว่าเป็นดวงไปพ ล, งพลางๆส่วนตอนมองจิตเป็นกระแสจะหมายถึงจิตโดยความเคลื่อนต่อเนื่องหรือแปรปรวนไปตามสภาวะจิตในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งเช่นเราอาจรู้สึกถึงพลังอำนาจ ของใครบางคนที่มีอิทธิพลต่อใจเราขนาดทำให้เกิดความคล้่นั่งอยู่ต่อหน้าเขาแล้วได้รับความกดดันอย่างหนักก็อาจจะเล่าให้ญาติฟังว่าเขามีกระแสเจตที่แรงมากอย่างนี้ฟังแล้วเกิดภาพของผู้ที่ปล่อยคลื่นพลังไร้รูปออกมาอย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่แรงแค่ละลอกเดียวแล้วหดหายสรุปคือ แม้ในประสบการณ์ตรงของคนทั่วไปจิตก็ปรากฏเป็นอะไรที่ยิ่งไปกว่าความรู้สึกนึกคิดมากนักแต่เพราะมัวจดจ่ออยู่กับเรื่องในชีวิตประจำวันจึงหมดเวลามาศึกษาให้ลึกซึ้งกว่าจิตขอภัยค่ะว่าจิตคืออะไรกันแน่ถ้าพัฒนาจิตควรใช้อุบายใดถ้าจ้องป้อนสิ่งดีที่สุดให้ จิตของเราควรดำเนินตามหลักการแบบไหนปรัชญาศาสน า, าหรือวิทยาศาสตร์เหล่านี้คือคำถามที่ชาวโลกส่วนใหญ่หลงหลับไหลและไม่เคยตื่นขึ้นมาถามตนเองเลยมุมมองเกี่ยวกับจิตแบบอภิปรัชญาการบัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวกับความเป็นจิตโดยตรงนั้น บางครั้งขึ้นอยู่กับมุมมองของปราช์โบราณเช่นนักปราดิ์กรีกใช้คำว่านนสแบบจอดจงถึงจิตอันมหิทธานุภา พ, พระดับพระเจ้าผู้จัดระเบียบและท่าทั้งหลายในเอกภพและปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งโดยปราศจากรูปลักษณ์ ตรงนี้จะเชื่อมโยงกับความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าโดยตรงกล่าวคือถ้ามีจิตที่ยิ่งใหญ่เป็นปฐมเหตุแห่งสรรพสิ่งแม้กระทั่งที่ปรากฏเป็นเราหรือรู้สึกว่าเป็นจิตเราก็ถูกสร้างมาจาก nos ส่วนในภาษาลาตินศัพท์ที่ตรงกับนิยามว่าจิตได้แก่ mens ต่อความหมายไปทางความคิดอ่านและสติปัญญาที่แยกได้ขาดจากความเป็นอมตะไม่มีวันดับสูญและรากศัพท์ของคำนี้ก็มาจากเมทิอลซึ่งแปลว่าเปรียบเทียบกล่าวคือเปรียบเทียบสติปัญญาแบบมนุษย์กับสัญชาตญาณของสัตว์ชั้นต่ำด้วยกรอบของมุมมองชนิดนี้ สมัยก่อนเชื่อกันว่าสัตว์ไม่มีจิตมีแต่สัญชาตญาณฆ่าแกงอย่างไรก็ไม่บาปหรืออย่างในภาษาอังกฤษคำเช่น mind มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับความจำเช่นที่เราเห็นคำว่า to bear in mind แปลว่าจำไว้ หรืออาจเชื่อมโยงกับเจตจำนงเช่นที่ใช้เป็นกริยา to mind แปลว่าเอาใจใส่ตัวคำว่า mind สำหรับความเชื่อของคนทั่วไปก็จึงไม่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแต่เฉพาะอยู่เพียงขอบเขตที่เข้าใจได้คือความจำและก็เจตจำนงแต่ในภาษายังมีบัญญัติสับ เกี่ยวกับจิตหลากหลายออกไปอีกอย่างเช่นในภาษาอังกฤษนั้นนอกจากม i n d แล้วก็ยังมีโซนซึ่งมุ่งสอดถึงวิญญาณที่มีความสามารถทางสติปัญญาคิดอ่านได้มีเจ็ดจำนงกระทำการตามปรารถนาแล้วก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเคลื่อนย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่ง แม้กระทั่งขณะหลับฝันก็ถือว่าวิญญาณออกจากร่างชั่วคราวนอกจากนั้นก็มีคําว่าสปิริตซึ่งมุ่งสอถึงสภาพวิญญาณที่บริสุทธิ์แล้วแล้วออกจากร่างมนุษย์ไปอยู่ในสภาพอื่นเช่นเทพยดาในอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้สะท้อนถึงขอบเขตความเห็นความเชื่อความยึดถือซึ่งมีอยู่ต่างๆ แม้แต่ผู้ใช้ภาษามแม่ก็ใช่จะเข้าใจที่มาที่ไปของศัพท์ต่างๆดีนักถ้าพวกเราผูกความเชื่อไว้ว่าจิตคืออะไรเราก็จะทำชีวิตให้เป็นไปตามความเชื่อแบบนั้นเช่นที่กล่าวแล้วในข้อก่อนว่าคนทั่วไปเห็นจิตเป็นความรู้สึกนึกคิดแต่ก็เชื่อแต่สิ่งที่ตัวเองนึกคิด แต่ถ้าเชื่อว่าจิตเป็นสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าก็จะดำเนินชีวิตตามพระผู้เป็นเจ้าสั่งผ่านคำพีสมัยก่อนถ้าปราดหรืออัจฉริยะบุคคลใดมีอิทธิพลเหนือมนุษย์ชนิดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้ก็มักจะทำให้คนในสังคมเชื่อตามที่ตนเองพูดเช่น พาติกรัสซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องความรู้ความฉลาดทางคณิตศาสตร์ระดับบิดาระหว่างวงการเมื่อกล่าวว่าเขาสามารถระลึกชาติได้ก็มีคนเชื่อและลดความมั่นใจในความรู้สึกว่าตนเองว่าจิตเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเมื่อตายเมื่อไหร่จิตก็ดับ แล้วก็จะเริ่มมองว่าจิตของตนเป็นดวงวิญญาณที่ย้ายจากร่างหนึ่งไปสู่อีกร่างหนึ่งเชื่อตามไปอย่างนั้นทั้งที่ไม่เคยเห็นประจักษ์ไม่เคยระลึกชาติได้ด้วยตนเองเลยสำคัญคือถ้าเชื่อเรื่องวิญญาณเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติจากใครถ้าเขาแนะนำสั่งสอนวิธีเตรียมตัวเปลี่ยนภพบแบบผิดๆก็นับว่าเคราะห์ร้ายเช่นเคยมีเรื่องเล่า ว, ว่า พระราชาองค์หนึ่งอยากจะไปสวรรค์พะถามคนที่คิดว่าเป็นผู้รู้ก็ได้รับคำแนะนำว่าค่าลูกเมียบูชายันเสียพระราชาพวกเขาก็อุตส่าห์หลงเชื่อสั่งค่าลูกเมียตัวเองจริงๆสรุปคือในอภิปรัชญาลทัทธิหรือศาสนาต่างๆมักกล่าวถึงจิตโดยความเป็นวิญญาณดวงหนึ่งที่เป็นอมตะ พอร่างหนึ่งตายก็เปลี่ยนย้ายถ่ายโอนไปอีกร่างหนึ่งรายละเอียดจะแตกต่างกันตามความเชื่อความอย่างรู้ของต้นแหลง่งเช่นวิญญาณอาจบริสุทธิ์ได้ในที่สุดหยุดเวียนตายเกิดแต่บางเจ้าก็เชื่อว่าวิญญาณจะท่องเที่ยวไปเรื่อยไม่มีวันจบสิน้นนอกจากนั้นแนวคิดเกี่ยวกับความดีความชั่วจะแตกต่างออกไป นิยามของความดีความชั่วมักเป็นไปตามความเห็นหรือความอยากให้เป็นไปเช่นนั้นน้อยครั้งที่จะได้ยินความดีความชั่วตามหลักเมตตาจิตคือไม่มีการจองเวไรเวไม่มีการเบียดเบียนต่อมนุษย์และสรรพสัต์ทั้งหลาย มุมมองเกี่ยวกับจิตของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์จะอาศัยเหตุผลและปัญญาคิดอ่านแบบมนุษย์ไม่ฝากความเชื่อถือไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งหากมีการค้นพบความจริงขึ้นในปีนี้แล้วปีหน้ามีอีกคนหนึ่งพบความจริงว่าก็เป็นอันยอมรับโดยไม่ยึดมั่นว่าผู้ค้นพบ คนก่อนจะต้องศักดิ์สิทธิ์เสมอใครหักล้างไม่ได้เรียกว่าเป็นการช่วยกันมองโดยหลายสายตาหลายการยืนยันมากกว่าจะปักใจสนิทให้กับข้อสรุปแม้ชานฉลาดยิ่งของอัจฉริยะบุคคลท่านใดท่านหนึ่งวิทยาศาสตร์จึงนับเป็นเครื่องมือสำรวจความจริงที่เข้ากับธรรมชาตินึกคิดอย่างมีเหตุผล ของมนุษย์สิ่งใดเอามาทดลองไม่ได้พิสูจน์หาหลักฐานเปิดเผยให้รับรู้ตรงไม่ได้ก็ให้ถือว่าควรปล่อยไว้ก่อนรอจนกว่าจะหาทางทมให้ยอมรับร่วมกับด้วยตาหูจมูกลิ้นและกายได้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้จึงค่อยนับว่าถูกรับรองโดยนักวิทยาศาสตร์สากล อีกประการหนึ่งวิทยาศาสตร์จะมุ่งเน้นมาที่ประโยชน์ที่เห็นได้ในปัจจุบันและก่อนข้างจะปฏิเสธเรื่องไกลเกินตัวเรื่องที่ยังมาไม่ถึงหรือเรื่องที่จะมาถึงแน่หรือเปล่าก็ไม่ทราบอย่างเช่นถ้าพูดถึงจิตก็จะมีวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับจิตโดยเฉพาะจุดประสงค์อาจจะเป็นการาศึกษาจิตผ่านพฤติกรรมมนุษย์ เพื่อเข้าใจเหตุผลว่าคนคนหนึ่งโตขึ้นมาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะอะไรจะ ก, กำหนดทิศทางโดยมวลรวมของสังคมให้เป็นไปในทางดีได้อย่างไรหรืออีกสาขาหนึ่งอาจศึกษาจิตควบคู่กับการแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาเพราะทางมีสิทธิ์สั่งยาเพื่อบันเทา หรือว่ารักษาอาการทางจิตที่ผิดปกติของผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพูดง่ายๆก็คือที่ร่ำเรียนกันจริงๆในหลักสูตรเกี่ยวกับจิตอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นั้นจะไม่สนใจหาคำตอบในเชิงอภิปรยายว่าจิตคืออะไรไม่หาทางพิสูจน์ว่าตายแล้วไปไหนไม่รับรองว่าทําดีแล้วชาติหน้าจะได้สวยผล เป็นกุศลวิบากแน่หรือเปล่าแต่จะยอมรับเข้าไปตรงๆในขั้นแรกซสก่อนว่าจิตมีจริงสวยสุขทุกข์ได้จดจำสิ่งต่างๆกับทั้งมีเจตจำนงเป็นอิสระส่วนจิตของแต่ละบุคคลจะดีเลวสร้างสมนิสัยอย่างไรไว้ก็ต้องดูเป็นรายๆหรือว่าอาจจะวิเคราะห์จิตของกลุ่มชนโดยรวม ก็แล้วแต่ใครจะสนใจเอาประโยชน์จากแง่การศึกษาไหนฉันอยากให้เลิกก้าวร้าวเลิกสุบุรีมีอารมณ์ขันมากขึ้นมองโลกในแง่ดีกว่าเดิมเมื่อตั้งเป้าขึ้นมาแล้วก็ต้องหาวิธีให้บรรลุเป้าถ้าได้ผลระดับสากลก็นับว่าประสบความสำเร็จและได้รางวัลจากสถาบันทรงเกียรติกันไป อย่างไรก็ตามจิตแพทย์จิตแพทย์ร่วมสมัยเริ่มศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบอื่นๆที่มองไม่เห็นเช่นพลังบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยที่ม่ทิ้งความสนใจเกี่ยวกับอภิปรญาแล้วก็เห็นเป็นเรื่อง้าทายที่จะนำวิทยาการยุค ป, ปัจจุบันมาพิสูจน์ การเดินทางข้ามภพข้ามชาติของจิตได้มีคนเก่งๆจำนวนมากตั้งแง่สังเกตเพื่อนำไปสู่การทดลองสารพัดชนิดบางแง่บางมุมของการค้นพบก็สนับสนุนความเชื่อว่าจิตกับกายเป็นต่างหากจากกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเชื่อว่าสมองเป็นผู้คิดและตัดสินใจ ก็จะขัดแย้งกับความจริงบางประการซึ่งทราบกันทั่วไปในหมู่ศึกษาสรีระวิทยาพื้นฐานเช่นเมื่อนักพิมพ์ดีดพิมพ์ข้อความอย่างรวดเร็วนั้นกล้ามเนื้อสีห้ามัดของนิ้วก็จะควบคุมให้กระดูกคอโลบนแป้นอย่างถูกต้องนั้นต้องทำงานประสานกันภายในเวลาไม่เกิน ศ0 0 1วินาทีซึ่งนับเป็นช่วงเซี่ยวของเซี่ยวความรู้สึกแต่ข้อเท็จจริงอันเป็นรูปธรรมก็คือระยะเวลาที่กระแสประสาทเดินทางจากสมองมาอย่างมือนั้นจะอยู่ในช่วงศ3จสถึงหนึ่งจุหวินาทีซึ่งช้ากว่ากันมากอันนี้ก็แปลว่าสมองไม่ได้เป็นผู้สั่ง แต่มีอะไรอีกอย่างอยู่เบื้องหลังอีกทีที่ทำให้กล้ามเนื้อทำงานประสานกันได้แม้แพทย์บางส่วน